มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจกิจการที่เขาดูแลก็ใหญ่โตพอสมควรเขาเล่าว่าก่อนหน้า น, นี้เขามีความทุกข์นะมีความเครียดนะไม่ใช่เกี่ยวกับธุรกิจนะแต่เกี่ยวกับลูกชายเขาก็พยายามเขี่ยวเข็นลูกชายเพราะลูกชายก็ไม่ค่อยมีระเบียบนะเลื่อนการประพฤติตัว ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเ็าเขียวเข็นลูกนะบางทีก็ว่ากล่าวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกชายก็ต่อต้านดื้อดึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเขาเองก็ทุกข์ตอนหลังเขาได้มาฟัง คำบรรยายของตา ม, มาทาง YouTube นนะเพราะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เขาได้ฟังเขาก็ได้คิดขึ้นมานะโดยเพราะที่พูดถึงเรื่องของนะความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะแม้กระทั่งลูกนะมันก็ไม่ใช่ของเราคือไม่สามารถที่บังคับให้เป็นไปตามใจ อยากของเราได้เขาก็ได้คิดขึ้นมานะเขาก็เลยเริ่มที่จะปล่อยวางนะว่าเนี่ยลูกไม่ใช่ของเราไอ้ที่เป็นของเราก็เป็นแค่สมมุตินะคือเข า, าเกิดมาจากเราเราให้กําเนิดเขานะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีวิธีชื่อของเขาเองเลี้ยงได้แต่กายเลี้ยงได้แต่ตัวนะแต่ว่าใจนะี่อีกเรื่องหนึ่ง พอทำใจแบบ น, นี้ได้เนี่ยเขาก็เขี่เข็นลูกน้อยลงความใส่ใจลูกยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยบังคับแนละ้วไม่ค่อยบน่นไม่ค่อยว่าก็ให้เขาเนะเลือกทางเดินของเขาเองก็ปรากฏว่าความเครียดนะในใจเขาก็น้อยลงด้วยนะรู้สึกเบาสบายมากขึ้น แล้วที่เขแปลกใจคือว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกก็กลับมาดีขึ้นลูกเนี่ยฟังเขามากขึ้นนะแต่ก่อนพูดทั้งหลายไม่ฟังนะแต่พอหยุดเขี่ยวเข็นลูกนะเจอลูกก็โอภาปาศัยไต่าถามแต่ว่าก็ไม่บน่นไม่ว่าไม่ดุไม่ด่ไดาไม่เขี่ยวเข็นลูกนี่กลับฟังเขามากขึ้นแล้วก็ ลูกเองก็รู้สึกว่าเออพ่อก็ฟังเขามากขึ้นแต่ก่อนนี่ลูกพูดอะไรไปพ่อเูไม่ฟังกันนะเพราะความยึดมั่นถือมัว่าลูกของฉันลูกของฉันนะมันก็เลยทําให้คิดว่าแกต้องฟังฉันแกต้องเชื่อฉันนะพอปล่อยวางเรื่องนี้น้อยลงพอปล่อยวางเรื่องนี้มากขึ้นนะนะคิดว่าเนี้ยลูกไม่ใช่ของเราก็กลายเป็นว่าลูกพูดอะไรไปเขาก็ฟังมากขึ้น อันนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวนะแต่ว่าลูกบอกเขาว่านเออเดี๋ยวนี้พ่อเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นว่าลูกนี่ก็ฟังพ่อนะอันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังนะตอนที่ไปเจอกันงานศพงานศพของพ่อเพื่อนอา่ากลุ่มนี้ก็พบ ก, กันมา50าปีแล้วคือเรียนหนังสือแต่สมัยปหนึ 1, ่งปสองนั่นก็มีความคุ้นเคยกันแต่ว่าพอพอโตกันไปแล้ว ก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็มาเจอนงานศพของพ่อเพื่อนนี่แหละหรือไม่ก็งานศพแม่เพื่อนเนขาก็มามาเล่าให้ฟังนะอ่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของหลายคนนะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หลายคนเนี่ยคือความทุกข์บางครั้งก็เกิดขึ้นจากความยึดมั่นนะว่าลูกของเราลูกของเราแล้วก็พยายามก็เลยบังคับให้ลูกเป็นไปตามความคิดของเรา พอไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดหวังก็โกรธเครียดเราก็ทําให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานแต่พอปล่อยวางแล้วปล่อยวางนี่มันก็ไม่แปลว่าปล่อยปัดแล้วเ ล, ย, ลยนะปล่อยวางคือปล่อยความยึดมั่นถือมัน่นเะพราะจริงๆแล้วอย่าว่าลูกไม่ใช่ของเราเลยแม้กระทั่งร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราคือว่าเราสั่งมันไม่ได้สั่งมันให้ไม่แก่สั่งให้ไม่ป่วยก็สั่งไม่ได้ มันปวดท้องจะสั่งให้มันหยุดปวดท้องมันปวดหัวสั่งให้มันหยุดหายปวดหัวก็สั่งไม่ได้แล้วขนาดร่างกายนี้แท้ๆยังสั่งไม่ได้แล้วจะคิดสั่งลูกนะซึ่งมันอยู่นอกตัวเราได้อย่างไรนะไอ้ว่าลูกไม่ใช่ของรอมก็คือความจริงนะที่คนมักจะมองข้ามไปเมื่อที่จะแล้วก็ไปเจอ ไปอบรมในงานหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไล่ฟัง <c oughs> เขาก็อายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบแล้วเขาพูดไปดีนะว่าเขาเวลาเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาถือว่าลูกเนี่ยนะเป็นเสมือนแขกที่มาพักในบ้านนตั้งแต่เล็กเลยนะเขาเลี้ยงลูกก็ถือว่าลูกเนี่ยเป็นแขกที่มาพักในบ้านเวลาแขก ม, มาพักในบ้านนี่เราไม่เคยบอกแขกเลยนะอา้าวได้เวลากินข้าวแล้วอา้าวได้เวลาอาบน้าแล้ว อได้เวลานอนแล้วเราไม่เคยพูดกับแขกอย่างนั้นฉันได้นะเขาก็ทําอย่างนั้นกับลูกนะก็คือให้ให้ให้ลูกนี้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองก็ทํายิมาตั้งแต่ลูกเล็กนะจนกระทั่งวัยรุ่นจนกระทั่งโตตอนะนี้ลูกอายุยี่สกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับลูกแล้วลูกก็เป็นก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับพ่อนะก็เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะนะช่วยตัวเองได้ อันนี้ก็เป็นวิธีการมองที่น่าสนใจนะมันก็ช่วยทําให้ลดความยึดบ้นถือมันว่าลูกของเร า, ล, เราลูกของเรานะให้ความยึดมากอย่าูกว่ารูปของเราลูกของเรานะข้อดีมันก็มีนะทำให้ใส่ใจแต่ว่าพอใส่ใจมากไปก็กลายเป็นบังคับกลายเป็นการเขี่ยวเข็นไปแล้วคนเราเมันก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะการบังคับเคี่ยวเข็นอย่ว่าแต่ลูกเลยนะคนรักนะคนรักก็ไม่ชอบ ยิ่งเป็นคนป่วยด้วยแล้วนี่ก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่คนป่วยนี่เขาแต่เขาจะพูดไม่ค่อยถนัดนะเขาก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าเขายังมีเร่ลวแรงมีกําลังวังชาเขาก็อาจจะแสดงอาการขัดขืนต่อต้านที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะให้ลูกของเรานะในสิ่งที่อยู่นอกตัวไปเช่นทรัพย์สมบัตินี่ก็เหมือนกันน ะ, อะลองพิจารณาดูจริงๆว่าเป็นของเราหรือเปล่านะ ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องไม่ไม่เสือไม่เสียไม่เสื่อมนะมันก็ต้องคงสภาพเดิมแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้นะมันไม่ว่าจะเป็นรถไม่เป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะมันก็มีเสื่อมมีเสียไปนะแล้ววันดีคืนดีมันก็สูญหายไปจากเราไม่สามารถที่จะยือยุดเอาไว้ได้บางทีเจอน้าท่วมนี่น้าก็ซัดพัดพาไปนะ คนเราทุกข์มากนะเพราะว่าความยึดมอ่เป็นของเรา n ี่แหละพอมันหายไปเสื่อมไปก็กลุ่มหมอกกลุ่มใจนะพอรถจะถูกยึดบ้านจะถูกยึดก็กรุ่มใจอย่างที่เราเมื่อเช้านี่นะผู้ชายนี่เป็นพ่อบ้านกลัวว่าเรียกว่าเป็นนี่เป็นสินมากมายแล้วก็บ้านก็กำลังจะถูกยึดรถก็กลังจะถูกยึดเพราะว่าไม่มีเงินผ่อนไม่มีเงิน จ่ายกลุ่มออกกุ้มใจามากแทนที่จะปล่อยให้รถเขายึดไปแทนที่ปล่อยให้บ้านเขายึดไปกลับทางตรงข้ามก็คือว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะฆ่าตัวตายดีกว่าแล้วไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างเดียวคนเดียวนะเอาลูกไปด้วยนะฆ่าลูกหมดเลยนะแทนที่จะเ อ, อปล่อยบ้านเนี่ยเขายึดไปปล่อยรถให้เขายึดไปนะเราก็ยังมีทางออกนะ เริ่มต้นช่วยกันใหม่บางทีพอไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เรากลายเป็นของมันไปเลยนะเรากลายเป็นของมันเรากลายเป็นของรถเรากลายเป็นของบ้านรถอยู่นะบ้านอยู่นะแต่ฉันขอไปเองนะทำไมเราถึงคิดแบบนั้นกันได้นะเพราะความยึดมั่นถือมันนั่นเองนะยึดมั่นถือมันว่าเป็นของเราของเราเลยไม่ยอมไม่ยอมสูญไม่ยอมเสียแต่ว่ากลับทําร้ายตัวเอง อันนี้มันเป็นอันตรายมากนะต่อจิตใจนะไอ้ความยึดมั่นถือมัน่นนั่นเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะทำใจเผื่อไว้ว่าของที่เรามีนะมันก็จะอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวคนรักที่อยู่ใกล้เราไม่จะเป็นสามีภรรยาเป็นลูกนะเขาก็มาอยู่กับเราเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งวันดีคืนดีเขาก็ต้องไปจากเราหรือแม่เขาก็เดินออกจากเราไปมีวิถีช่วยของเขานะ ในขณะที่เขาอยู่กับเราเขาไม่ใช่ว่าจะทําตามใจเราเขาก็มีชีวิตของเขามีจิตใจของเราของเขาสิ่งที่เราทําได้คือมีความดูแลเอาใจใส่เขาการดูแลใจใส่นี้เรียกว่าทำทำกิจนะการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทํากิจนะปล่อยวางนี่เป็นเรื่องการทําจิตหรือทําใจส่วนทํากิจก็ยังต้องทําต่อไปนะดูแลนะเอาใจใส่นะช่วยเหลือ นะเอื้อเฟื้อนะอันนี้เรีย ก, กว่าเป็นการทำกิจปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทำกิจนะปล่อยวางหมายถึงการทำจิตส่วนการทำจิตก็ยังต้องทำต่อไปนะร่างกายนี้เจ็บป่วยนะเราก็ไม่บน่นไม่โวยวายนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างแต่ว่าก็ต้องรักษานะเป็นมะเร็งนะกลุ่มบอกกุ้มใจไปก็มีแต่ทุกข์นะเราก็ต้องปล่อยต้องลางบ้าง นะอย่ามาเป็นอารมณ์ให้กลากลุ้มใจแต่ว่าไอเรื่องการรักษาก็ต้องทอําไปเยียวยาบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องทําไป น, นี่เรียกเป็นการทํากิจหรือการทําหน้าที่ต่อร่างกายแต่ใจนั้นวางนะคือคือไม่ยึดมันเป็นเราเป็นของเราหรือไม่เอาเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นกังวล น, นะบางทีเราไม่ได้ยึดแค่ร่างกายนี้ว่าเป็นของเราไปยึดเอาความเจ็บความป่วยนะให้มันมา กลมรุ ม, ร ม, รมทําร้ายจิตใจด้วยเนี่ยนเรียกว่าไม่ปล่อยไม่วางนะวางความเจ็บป่วยลงออกไปจากใจแต่ว่ายัางรักษายัางดูแลร่างกายนี้อยู่นะต้องเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่อย่างให้เป็นนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของไม่จะเป็นร่างกายหรือแมก้กระทั่งจิตใจอ่าแล้วก็เตรียมรับพร